โมคะบุรุษบางพวกในกรณีนี้เล่าเรียนปริยัติธรรมนานาชนิดคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาต่างๆเป็นต้นแต่พวกโมคะบุรุษเหล่านั้นเล่าเรียนปริยัติธรรมนั้นๆแล้วไม่สอดส่องใครกรวนเนื้อความแห่งธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญา เมื่อไม่สอดส่องใคร่กรวนเนื้อความด้วยปัญญาธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์ของโมคะบุรุษเหล่านั้นโมคะบุรุษพวกนั้นเล่าเรียนธ ร, รมด้วยการเพ่งหาข้อบกพร่องของธรรมะหรือรัตที่ใดรัตที่หนึ่งและมีความคิดที่จะใช้เป็นเครื่องตาลาย ลัทธิใดลัดทธิหนึ่งเป็นอนิสงส์ผู้รู้ทั้งหลายเล่าเรียนพระปริยติธรรมเพื่อคุณประโยชน์อันใดพวกโมฆะบุรุษเหล่านั้นหาได้รับคุณประโยชน์อันนั้นแห่งธรรมไม่ธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยเป็นธรรมะที่โมฆะบุรุษเหล่านั้นถือเอาไม่ดี เป็นไปเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เขาเหล่านั้นตลอดกาลนานข้อนั้นประเหตุว่าเล่าเพราะความที่ธรรมะเหล่านั้นอันโมคะบุรุษเหล่านั้นถือเอาไม่ดีเป็นเหตุคือเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการใคร่จะได้งูเที่ยวส่อแสวงหา ง, งูอยู่ บุรุษนั้นรัรนเห็นงูตัวใหญ่ก็จับงูนั้นที่ตัวหรือที่หางอสสารพิษตัวนั้นก็จะพึงกลับฉกเอามือหรือแขนหรืออวัยวะแห่งใดแห่งหนึ่งของบุรุษนั้นบุรุษนั้นก็จะตายหรือได้รับความทุกข์เจียนตายเพราะการฉกเอาของอสสารพิษนั้นเป็นเหตุ ขอนั้นเบรยนไว้แล้วเพราะความที่บุรุษนั้นจับงูไม่ดีคือไม่ถูกวิธีเปนเนธข้อนี้ฉันใดโมฆะบุรุษบางคนในกรณีนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเขาเล่าเรียนปริยติธรรมนานาช น, นิดพวกโมกะบุรุษเหล่านั้นครั้นเล่าเรียนธรรมนั น, นั้นแล้วไม่สอดส่องไรกรวน เนื้อความแห่งธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญาเมื่อไม่สอดส่องไกรกรวนเนื้อความด้วยปัญญาธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์ของโมคะบุรุษเหล่านั้นโมคะบุรุษเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมะด้วยการเพ่งหาข้อบกพร่องของธรรมะและมีความคิดที่จะใช้เป็นเครื่องทำลาย รัตที่ใดรัตที่หนึ่งเป็นอนิสง์ผู้รู้ทั้งหลายเล่าเรียนปริยัตรธรรมเพื่อคุณธรรประโยชน์อันใดโมคคะบุรุษเหล่านั้นหาได้รับคุณธรรประโยชน์อันนั้นแห่งธรรมไม่ธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยเป็นธรรมะที่โมคคะบุรุษเหล่านั้นถือเอาไม่ดีเป็นใยเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความทุกข์แก่เขาเหล่านั้นตลอดกาลนานค อ, อนันเบรดไว้เล่าเพราะความที่ธรรมะทั้งหลายอันโมฆะบุรุษเหล่านั้นถือเอาไม่ดีเปเียดนั่นแหละส่วนคลบุตรบางพวกในกรณีนี้เล่าเรียนปริยัติธรรมนานาชนิดคือสุตตะกยะเวยากรณะขาถาอุทาน อิติบุตกะชาตะกะอภูตธรรมะเวทะกุลบุตรเหล่านั้นครั้นเล่าเรียนธรรมะนั้นๆแล้วก็สอดส่องไคร่กรวนเนื้อความแห่งธรรมะนั้นๆั้นด้วยปัญญาเมื่อสอดส่องไคร่กรวนเนื้อความด้วยปัญญาธรรมะเหล่านั้นก็ย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ของกุลบุตรเหล่านั้น เมื่อเก่าเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมะด้วยการไม่ได้เพ่งหาข้อบกพร่องของธรรมะหรือของลัที่ใดลัที่หนึ่งและไม่ได้มีความคิดที่จะใช้เป็นเครื่องทาลายลัที่ใดลัที่หนึ่งเป็น น, นิสง์ผู้รู้ทั้งหลายเล่าเรียนปริยติธรรมเพื่อคุณประโยชน์อันใดกุลบุตรเหล่านั้นก็ได้รับคุณประโยชน์อันนั้นแห่งธรรมะ ธรรมเหล่านั้นก็กลายเป็นธรรมะที่กุลบุตรเหล่านั้นถือเอาแล้วด้วยดีเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่กุลบุตรเหล่านั้นเองตลอดกาลนานก้ อ, อนั้นพระเถรห์ไว้เล่าเพราะความที่ธรรมะทั้งหลายอันกุลบุตรเหล่านั้นถือเอาด้วยดีเป็นเหตุ เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการใครจะได้งูเที่ยวแสวงหางูอยู่บุรุษนั้นครั้นเห็นงูใหญ่จึงเอาท่อนไม้ที่มีงามดังเท้าแพะกดงูนั้นให้เป็นการถูกกดไว้อย่างดีครั้นแล้วจึงจับงูนั้นที่คออย่างมั่นคงแม้งูนั้นจะพึงรัดเอามือแขน หรืออวัยวะแห่งใดแห่งหนึ่งของบุคคล น, นั้นด้วยลําตัวของมันก็ตามดีแต่บุรุษนั้นก็ไม่ตายหรือไม่ต้องได้รับทุกข์เจียนตายเพราะการรัดของงูนั้นเป็นเหตุข้อนั้นประเห็นไว้เล่าเพราะงูตัวนั้นถูกจับไว้อย่างมั่นคงดีแล้วเป็นเหตุฉันใดกฉันนั้นคุลบุฒบางพวกในกรณีนี้ เล่าเรียนปริยติธ ร, รมนานาชนิดกุลบุตรเหล่านั้นครั้นเล่าเรียนธรรมนั้นๆแล้วก็สอดส่องไคร่กรวนเนื้อความแห่งธรรมนั้นๆด้วยปัญญาเมื่อสอดส่องไคร์กรวนเนื้อความด้วยปัญญาธรรมะเหล่านั้นย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ของบุคคลเหล่านั้นกุลบุตรเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมะ ด้วยการไม่ใช่เพ่งหาข้อบกพร่องของธรรมะหรือลัตทิใดลัตทิหนึ่งและไม่ได้มีความคิดที่จะใช้เป็นเครื่องําลายลัตทิใดลัตทิหนึ่งเป็นอ น, นิสงผู้รู้ทั้งหลายเล่าเรียนปริยติธรรมเพื่อกุณประโยชน์อันใดกุลบุตเหล่านั้นก็ได้รับกุณณประโยชน์อันนั้นแห่งธรรมะธรรมะเหล่านั้นก็เป็นธรรมะ ที่กุลบุตรเหล่านั้นถือเอาแล้วด้วยดีเป็นไปเพื่อความเป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแกกุลบุตรเหล่านั้นเองตลอดกาลนานก้อนั้นไร้เหตุหลายเล่าเพราะความที่ธรรมทั้งหลายอนกุลบุตรเหล่านั้นถือเอาด้วยดีเป็นเหตุพิสุตตาลายพระเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลาย พึงทราบถึงความหมายแห่งคำพูดอันใดของเราพึงจดจําข้อนั้นด้วยประการนั้นแต่พวกเธอยังไม่เข้าใจเราจะทบทวนในข้อนั้นแก่เธอทั้งหลายหรือพวกเธอเอาไปสอบถามพวกพิสุผู้ฉลาดดูก็ได้แหละนี่แหละตัมบูฟังมันจึงเป็นเหตุที่ต้องให้มาพูดกันเรื่องปริยัติที่ไม่เป็นงูพิด ทาวาพระมหาไพบุญอ ภ, ภิบุญโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำเพื่อที่ให้เกิดความเข้าใจว่าธรรมะที่เราศึกษาเรียนแล้วนั้นถ้าเราศึกษาไม่ดีโดยการที่คิดว่าจะเพ่งโทษหาที่ผิดไม่ใคร่ครวนเนื้อความแห่งธรรมด้วยปัญญาอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นิดได้ศึกษาเพื่อที่จะ ลมลางศึกษาเพื่อนที่จะคิดทำลายล้างและสิ่งนั้นจะเป็นผิดพิษตรงไหนพิษตรงที่ทำลายล้างน่ะละ่ะอย่างเช่นว่าเราเรียนรู้อา่านหนังสือข้อความใดข้อความหนึ่งอันนี้ใช้ได้กับธรรมะทุกประเภทนะท่านฟังแต่ไม่ใช่เฉพาะคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะใดธรรมะหนึ่งไม่ว่าใครจะพูดขึ้นมาอาจจะเป็นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคลานะหรือสาวกชั้นนําในสมัยพุทธกาลอื่นๆ หรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ในสมัยนี้ก็ตามแต่ท่านกล่าวธรรมะใดธรรมะหออกมาถ้าพบว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งฟังธรรมะนั้นแล้วไม่ได้สอดส่องเนื้อความนั้นให้ดีด้วยปัญญาแต่ธรรมะนั้นมันก็จะมีข้อบอกพร่องล่ะตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ดีพูดไปอย่างนั้นเราก็เป็นเรื่องกันทีนี้ใช้ในการที่จะเป็นเรื่องนินทากันได้ใช้เป็นเรื่องในการพูดคุยให้เกิดความแตกแยกได้และมันใช้อย่างนั้นได้เพราะอะไร เนื่นเพราะว่าความที่จับช่ยเอาไม่ดีคนแบบนี้เขาเรียกว่าโมคาบุรุษโมคาบุรุษก็คือคนที่ไม่มีแก่นสารข้างในกลวงๆนิดหนึ่งเดีเรียนจนหัวเป็นไข่หัวเป็นไข่นี่หมายถึงว่าผมมันร่วงหมดแล้วนะแต่ว่าก็ข้างในไม่มีอะไรเป็นปิงปองพระเจ้าเบรบเทียบกับเวลาที่ไปจับงูคนต้องการงูไปจับงูไปจับมาแล้วแต่ว่าจับไม่ดีงูก็เลยโชกกาดเ้าให้นั้วก็เลยเป็นภัยกับตัวเอง ในเวลาเราเรียนธรร ม, มระธรรมะวังและจับช่วยให้ดีเข้าใจให้ได้ธรรมะนั้นมีทั้งโดยที่เป็นอัตตะและมีทั้งโดยที่เป็นพยัญชนะประพยัญชนะของพระเจ้ารัดกุมรอบคอบที่ท้วนดีมีคนเอาข้อความนี้มาอธิบายเป็นอัตตาอ ธ, ธิบายไว้ก็เพื่อที่จะพยายามให้เข้าถึงเนื้อหาเดิมของพระเจ้าเราศึกษาก็เพื่อที่จะให้เข้าถึงเนื้อหาตรงนั้นนต่ไม่ใช่ศึกษาเพื่อที่จะหาที่ผิด แต่ที่ผิดมันมีทุกที่อะท่านผู้ฟังถ้าคนจะหานะจะเพ่งโทษจะคอยติเตียนมันหาได้หมดเนะี่ยทำไมเดินอย่างนี้ทําไมยิ้มอย่างงี้ทําไมทําหน้าอย่างนี้ปัญหาที่ผิดหาเรื่องกันได้ตลอดเวลาแล้วนกะ็อมูลฟังมาเนะี่ยมันน่าจะเป็นนี้ทําไมไม่เป็นอย่างงั้นทําไมตรงนี้ขัดกับตรงนี้มันไปเรื่องใหมไ่ไปเพราะะฉนไปที่ตรงที่ปัญหามันจะเกิดเนี่ยนตะ่ไม่ใช่เกิดจากการที่ว่าเรารู้มากนะคือเรียนมากรู้มากเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำแต่ก็เรียกว่าเป็นพระหูสูตร เห็นท่านพระอานุนเป็นเลิศทางด้านความเป็นพระหูสูตรท่านพระราหุลเป็นเลิศในการที่จะใ่รู้ใ่ศึกษานั้นันเป็นการเรียนที่ดีแตนะ่ทําไมบุคคลเหล่านั้นเขาถึงเรียนดีได้ละ่ะก็เพราะว่าเขารู้จักจับจุ๋ยธรรมะได้อย่างถูกต้องศึกษาได้อย่างถูกต้อง่นะรู้มากไม่ใช่ว่าไม่ดีธรรมาฝังดีแต่มันเมาได้เมาตรงไหนไม่ใช่ว่าเมาตรงที่เรารู้มาก ไม่ใช่ว่าเราเมาตรงที่กินมากบางคนอาจจะคิดว่าฉัน้าเรียนมากๆมันก็จะเมามันก็จะเหมือนเลยสิไม่ใช่อย่างนั้นแังมันเมาเนี่ยไม่ใช่ว่าตรงรู้มากแต่เมาเพราะความยึดถือเมาตรงไหนคือความยึดถือสมมติว่าเราไม่ต้องรู้มากกันนะเอารู้พอประมาณรู้พอประมาณก็เมาได้เมาธรรมะเมาได้ในฝังหลงธรรมะหลงได้ในฝังหลงตรงไหนหลงตรงที่มันยึดถือแต่ถ้าเราไปยึดถือว่าอันนี้ถูกแน่นอนอย่างอื่นผิดหมด ความยึดถือเนี่ยทำให้เราเมาความยึดถือนี่ทําให้เป็นเรื่องตลอะกันความยึดถือเนี่ยทำให้มีปากเสียงความยึดถือทำให้มีการทิมแทงกันด้วยหอกคือปากเพราะความยึดถือยึดถือว่าตรงนี้ถูกเท่านั้นความยึดถือนี่ก็คืออุปทานนั่นเองอุปทานคือความยึดมันไปยึดตรงไหนได้บ้างยึดตรงทิฏฐินี่แหละก็เรียกว่าที่ถูกปฎทานทิฏฐิที่ว่าอันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าในยึดถือตรงนี้ก็มีปพนาแน่ หรือว่าความยึดถือมันก็ไปยึดถือตรงตอื่นก็ได้นั่นตรงเรื่องการปฏิบัติของบุคคลฉันปฏิบัติถูกเธอปฏิบัติผิดนนีน่เป็นแง่มุมหนึ่งของศรรีลและตูปาฏฐานมันจะเป็นเรื่องอื่นในความยึดถือเรื่องของศรรีลและวัดข้อปฏิบัติต่างๆเธอปฏิบัติถูกฉันปฏิบัติไม่ถูกฉันต้องเป็นอย่างนี้เธอไม่เป็นอย่างฉันไม่ได้มันก็เถียงกักนละตีเริ่มเริ่มเมาเมาเพราะความยึดถือหรือว่าความยึดถือที่เป็น อัตวาทูปปาทานแอัตวาทูปปาทานก็คือความยึดถือที่เกิดจากการพูดของตนขอาคุณพูดออกไปแล้วอ่ะคุณพูดออกไปแล้วเหมือนกับลูกศรมันปล่อยออกไปแล้วแต่มันจะไปปรับยังไงล่ะมันไม่ได้มีระบบนําวิธีเหมือนลูกมิตรไซสา์สมัยปัจจุบันที่มันปรับโคง้งปรับไปได้ได้แต่ลูกศรปล่อยออกไปแล้วคือปล่อยออกไปแล้วคําพูดปล่อยออกไปแล้วคือยึดถือเท่านั้นล่ะฉันชันกล่าวไว้แล้วอย่างนี้ฉันไม่ขอโทษ หรือฉันกล่าวไม่ยอมรับว่าตัวเองกล่าวผิดหรือกล่าวถูกยังไงก็ยึดถือตรงนั้นในยึดตือโดยความเป็นตัวตนก็เมาตรงนี้ก็เป็นพิษตรงเนี้ยเป็นพิษตรงความยึดถือรู้มากบางทีกล่าวมากกล่าวมากบางทีติด ก, กับดักคําพูดของตัวเองเป็นอัตวาทุปาทานหรืออย่างที่4ี่ในความยึดถือที่มันเจอยึดได้เรียกว่ากามุปาทานกามูปาทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของกรรมนั่นที่เกิดจากการมมกุลทั้ง5้า แต่ว่าเรื่องของการที่เกิดจกากกรรมคุณทั้ง5นี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของลาบปัจจัยสีที่เกิดจากการที่เวลาเราศึกษาธรรมะในกรณีนี้ก็มีเรื่องที่เขาเล่ามาใอเป็นนิทานในธรรมบทที่พูดถึงพระองค์หนึ่งที่ชื่อว่ากัปปิระเป็นผู้เป็นผู้สูตรรู้มากเข้าใจธรรมะดีแสดงธรรมได้แจ่มแจ้งก็มีบริวารมากมีลาบสาการะชื่อเสียงสรรเสริญยนยอที่เกิดจากบริวารเหล่านั้นก็ยึดตรงนี้ ยึดตรงชื่อเสียงยึดตรงลาบสก่าระแต่ก็ถูกความยึดถือเมาตรงนั้นเรียกว่าเมาในกามที่เกิดขึ้นอันเป็นผลของการรู้ธรรมานั่นเองรู้ธรรมะเรียนธรรมะแล้วกลับมีความยึดถือยึดถือในชื่อเสียงที่เกิดขึ้นอันนี้หนึ่งเรียกว่ากามู้ป่าฐานยึดถือในที่ thinking, ว่าทิฏฐินที่คิดว่าธรรมะแบบนี้ถูกธรรมะแบบอื่นผิดหรือว่าธรรมะที่คนนี้อธิบายเท่านี้ถูกธรรมะที่คนนั้อธิบายผิดนี่เป็นลักษณะของทิฏฐูป่าฐาน เป็นแง่มุมหนึ่งในที่ถุปาทานนะท่านผู้ฟังที่ถุกปาทานมก็จะมีทิฏฐิหลายแบบนะลืออย่างที่สามเป็นเรื่องของการปฏิบัติฉันปฏิบัติถูกเธอปฏิบัติผิดหรือว่าปฏิบัติว่าคนอื่นปฏิบัติงมงายเราเท่านั้นปฏิบัติถูกต้อง่คนอื่นปฏิบัติผิดหมดความยึดติดแบบนี้ก็มีเรียกว่าศีลับพรตุปาทานความยึดมั่นในศีละรสหรือว่าความยึดมั่นในคําพูดคําจาที่ได้พูดออกไปแล้ว เลือพูดออกไปหรือไงก็ไม่รู้ละพูดออกไปแล้วคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงตัวเป็นอย่างนั้นอะไรต่างๆก็ยจะถือ่นไปตรงนั้นความเป็นผู้รู้หรือว่าหูสูตเนี่ยไม่มีพิษหรอกท่านฟังไม่มีพิด ไ, ไม่มีภยัยแต่ไอความยึดถือที่เป็นผลเกิดขึ้นจากการที่เราเป็นผู้หูสูตเนี่ยสิมันเป็นภยัยแล้วเราจะป้องกันยังไงเราจะป้องกันยังไงสําหรับผู้ที่ศึกษาธรรมารู้ธรรมะท่าน ฟ, ฟังรู้ไหมว่าพระเจ้าทิ้งมรดกไว้ให้เนี่ยนะ คือคำสอนของพระองค์ท่านนะเราต้องทําตัวเป็นธรรมทายาการทําตัวเป็นธรรมทายาททำยังไงก็เอาตรงที่พระรูญเจ้าสอนนะี่แหละทั้งโดยอัฏฐทะทั้งโดยปิยชนะมาน้อมเข้าสู่ใจของเราให้เข้าสู่ใจจริงๆนะเข้าสู่สมองไม่พอเข้าสู่ใจด้วยสู่ใจด้วยแล้วทําอย่างนั้นปฏิบัติให้ได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าประโยชน์ของธรรมะคนศึกษาธรรมะ เ, เพื่อที่จะคลายความยึดถือคลายความยึดถือในนิวรัง คนเป็นผู้หูสูตรคลายความยึดถือได้คนที่รู้ธรรมะจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามก็สามารถคลายความยึดถือได้ทํายังไงถึงจะคลายความยึดถือได้ก็ต้องไกลรกลวนสอดส่องเนื้อความนั้นด้วยปัญญานั้นด้วยปัญญานะปัญญาท่านฟังปัญญาไม่ใช่ความรู้ปัญญาไม่ใช่ความรู้ให้ข้าพเจ้าพูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งแต่คุณอาจจะรับข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งมานั่นคือข้อมูลก็ผ่านมาทางโทรศัพท์มือถือบ้างทีวีบ้างหนังสือบ้าง นะข้อมูลเข้าทางตาบ้างเข้าทางหูบ้างพวกนี้เป็นข้อมูลทั้งนั้นเราประมวลผลองมาแล้วเป็นความรู้ของเราีอยู่ในสมองเป็นความรู้แนะความรู้นี่ก็สามารถใช้บรรยายได้สามารถใช้บอกสอนคนได้อะไรต่างได้แต่ความรู้นั้นยังไม่ใช่ปัญญาแตนะ่ความรู้นั้นถ้าไม่ได้มีการใคร่ครวญย่อยให้ ด, ใหดีให้เกิดปัญญามีปัญญาแล้วไงปัญญาเนี่ยเป็นดาบคมที่จะตัดอะไรไม่ได้ตัดทําลายคนเดินนะแต่ตัดกิเลย ข, ของตัวเอง ตัดกิเลสของผู้ที่ใคร่ครวนด้วยปัญญานะะั้นล่ะปัญญาใคร้ครวนแล้วตัดกิเลสตัดเจ้าความยึดถือตัดตัณหาตัดอวิชาหรือรากถอนรากถอนคนของมันออกม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาธรรมะเรียนธรรมะถ้าไม่ได้ใครครวนด้วยปัญญาให้ดีมีความรู้มากจรงิงนะรู้มากจรงิจรงๆเป็นผูุ้สูตรความรู้มีอยู่แต่ไม่มีปัญญาก็มีนะพอไม่ได้ใคร่ครวญด้วยปัญญาแล้ว นะกลายมีความยึดถือมากขึ้นนะยิ่งรู้มากยิ่งถูกยึดมากมันรัดรึงได้มากขึ้นด้วยเหตุนี้เพราะฉะนั้นเราศึกษานะทําความเข้าใจศึกษานี่หมายถึงศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการฟัง ด, ด้วยการดูเป็นสิกขาเป็นข้อมูลมานะปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านวังพระองค์แสดงเทศธรรมเทศนาไว้เนี่ยบอกไว้ชัดเจนว่าแสดงไว้ด้วยปัญญายิ่งแสดงไว้ด้วยปัญญายิ่งผ่านการทดลองการกระทํา ไม่ว่าจะเป็นในร่วในวงังมาตามป่าตามเขาทดลองกระทําแล้วอย่างถูกต้องมีพลังจิตขึ้นไปบนบนโลกลงไปนระกดูนั่นนี่ตรวจสอบข้อมูลรู้หมดจบเป็นโลกลวิถุผ่านการตรวจสอบทดสอบมาแล้วเป็นปัญญาของพระองค์เป็นปัญญาขอ ง, รง ป, ปญญองระชาชนเป็นปัญญาที่อันยิ่งจริงๆนะปัญญานั้นเนี่ยก็บอกข้อมูลนั้นออกมาในเวลาบอกออกมาเนี่ย ปัญญาของพระเจ้าเนี่ยจะกลายมาเป็นปัญญาของเรามันไม่ใช่ปัญญาที่พระเจ้าแสดงออกมาเป็นคําเทศคําบอกประสูตรตรงนั้นตรงนี้เนี่ยพอเข้ามาหาเรามันเป็นข้อมูลก่อนเป็นข้อมูลนตมันต้นผ่านลําดับขั้นแต่ลำดังเข้าใจนะผ่านลาดับขั้นจากข้อมูลข้อมูลคุณย่อยระดับที่1 น, นะกลายเป็นความรู้คุณย่อยต่อไปอีกถึงจะเป็นปัญญาขึ้นมาได้นะปัญญาตรงนั้นแหละจึงจะเป็นปัญญาของเราของเรากใช่ไหม พอเรารู้มีปัญญาของเราเป็นบินยูชนตัดกิเลสอะไรต่างๆได้เราบอกต่อคนอื่นไปบอกต่อคนอื่นไปนะด้วยปัญญาของเราอันยิ่งของเราเนี่ยนะมันกลายเป็นข้อมูลสําหรับคนอื่นต่อไปแต่มันจะยังไม่เป็นปัญญาของคนอื่นเลยแต่เพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นก็นี่แหละลักษณะของธรรมะทานววชแต่ที่เชิญผู้อื่นเข้ามาพิสูจน์ควรน้อมเข้ามาสูต่ตัวเป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนแต่มันไม่ใช่ว่าให้กัน แ, แบบว่า คุณบรรลุไปเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นก้อนคุณให้หนังสือธรรมะแล้วคุณจะบรรลุได้เหมือนที่พระรูชาบรรลุมันไม่แน่เพราะอะไรเพราะนั่นเป็นปัญญาของพระองค์เป็นปัญญาของผู้รู้อ่ะเขารู้มาแล้วเขาทามาแล้วเขาอธิบายเอาไว้ไอ้ตรงที่เขาอธิบายเอาไว้เนี่ยมันกลายเป็นข้อมูลของเราเราเอามาย่อยเรามาทํามาใคร่ครวญให้ดีแดีวมันก็เป็นความรู้ขึ้นมาเอามาย่อยมาทํามาใคร่ครวญที่ด้วยปัญญามันก็เป็นปัญญาของเราขึ้นมา ถ้าเราไม่ไดเอามาไข้ครัวให้ดีด้วยปัญญามันจะกลายเป็นงูพิษมันจะกลายเป็นเรื่องที่จะทําให้เกิดความยึดถือได้ในยึดถือเราปัญหาตามมาเยอะแยะเราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเพรา ะ, ะนั้นเราจะทํายังไงถึงจะกลายความยึดถือได้คุณต้องมีปัญญาปัญญาไม่ใช่ความรู้นะต้องบอกไว้ชัดเจนนิดหนึ่งปัญญาไม่ใช่ความรู้ความรู้ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเราไปรู้รับรู้ทางตาทางหูไม่ใช่ตรงนั้นความรู้ตรงนี้หมายถึง knowledge นะความรู้ข้อมูลที่คุณ ข้อมูลที่คุณจำได้ข้อมูลที่คุณเชื่อมโยงกันได้นั่นแหละนั้นลักษณะว่าเป็นความรูแ้แต่ความรู้นั้นจะยังไม่ใช่ปัญญาถ้าเราไม่นำมาไครครวนทำการโยนิโซมนสิการน้อมเข้าสู่ใจจะไม่เกิดปัญญาเลยเพราะว่าถ้าเกิดปัญญาจริงเนี่ยบางคนอาจจะพูดวาจาคมเหมือนมีปัญญาแต่ปัญญาจริงๆมันไม่ใช่ออกมาทางปา ก, กสิท่านผู้ฟังปัญญาจริงๆอยู่ขงไหนที่อะไรตัดกิเลสได้ปัญญาจริงๆอยู่ข้างห น, ท, ญญงงนที่ทำอะไร หรือถอนอวิชชาได้ขูดมันออกมาทางรากได้นั่นคือปัญญาของใครของบุคคล น, นั้นๆเรามองดูภายนอกจะไม่รู้เขาดูอาจจะดูมีความรู้มากคนที่มีความรู้มากศึกษามากดีคำว่างดีข้าพเจ้ายืนยันมาเป็นสิ่งดีตัวข้าพเจ้าเองก็พยายามจะอ่านรับมรดกของพระเจ้ามาแหมคิดว่าในชาติปัจจุบันนี้ฉันจะต้องอ่านพระไตรปิฎกให้มันหมดทั้งไทยทั้งบาลีไม่ใช่ว่ารอบเดียวแต่ขอหลายๆายรอบหน่อยจนกว่าจะตาย จงว่าที่จะจากโลกนี่ไปคิดว่าจะตายตาหลับถ้าทําได้อย่างนั้นศึกษามากเพื่ออะไรเดีเพื่อให้มีความรู้รู้มากเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าใจได้ดีเข้าใจได้ดีแล้วจะเกิดอะไรจะเกิดปัญญาได้ปัญญาทําเพื่ออะไรเพื่อที่จะรื้อถอนอวิชชาตัดกิเลสให้ได้ตัดกิเลสแล้วไงเราจะเป็นอิสระเดนะผู้รู้ทั้งหลายเขาศึกษาธรรมะเพื่อประโยชน์อันนี้ละ่ะเพื่อประนอันนี้ทําให้มันตลอดสายนะาพื่อนทำให้มันตลอดสา ย, นะ อ, สายอย่าไปติดตรงขั้นใดขั้นหนึ่ง เราติดตรงขั้นใดขั้นหนึ่งตอนนั้นมันจะเป็นที่ที่ให้ความยึดถือมันเกาะได้เในตัวอย่างท่านพระราหุลที่มีความสนใจในการศึกษาตามไถ่ธรรมะจากครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นท่านพระสารีบุตรท่านพระอา น, นุ์หรือแม้แต่ตัวพระุทเจ้าเองท่านพระราหุลก็ไปเที่ยวถามเที่ยวศึกษาหาข้อมูลหรือแม้แต่ท่านพระอ น, นุนก็ได้ขอบอนจากพระพุทธเจ้าในการที่จะขอฟังพระสูตรทุกพระสูตรเลยที่พระเจ้าได้ไปกล่าวที่นั่นที่นี่ทศคาบพระองค์ไม่ได้ไปด้วยขอฟังอันนี้เป็นความใฝ่รู้ การฝ่ศึกษาที่บุคคลเหล่านี้มีเราควรจะเอาเป็นตัวอย่างเราควรจะเอาเป็นตัวอย่างในการที่จะให้เข้าถึงธรรมะให้ได้และศึกษาสอดส่องใกล่ครวญเนื้อความเหล่านั้นด้วยปัญญาแทําเหล่านั้นจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์การทนต่อการเพ่งพิสูจน์นั้นะต่อให้เรา Gore, พยายามจะเพ่งโทษถ้าเราศึกษาใกล้ครวญให้ดีด้วยปัญญามันก็จะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ตรง น, นั้นตอน่อการเพ่งพิสูจน์ เราศึกษาโดยที่ไม่ได้หาข้อบุกพร่องของธรรมะหรือของบุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้ที่อธิบายธรรมะนั้นๆไม่ได้พยายามที่จะหาข้อผิดพลาดในผู้แสดงธรรมโดยจิตมุ่งร้ายแข็งกระด้างไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นพระรพุทธเจ้าเองหรือว่าเป็นสาวกรุ่นหลังๆต่อมาแต่ศึกษาเพื่อที่จะให้ได้คุณประโยชน์ของที่ผู้รู้ทั้งหลายเนีขาศึกษาธรรมะเขาจะได้ประโยชน์อะไรเราพยายามศึกษาให้เป็นไปในนวมต่างนั้น เราจะได้ประโยชน์สิ่งนั้นมันจะไม่เป็นพิษเต็มฟังสิ่งนั้นจะไม่เป็นพิษสิ่งนั้นจะไม่ได้เป็นที่ที่จะให้ความยึดถือมันมาเกาะได้ความยึดถือน่ยมันเกาะได้ทุกที่แต่เราจะต้องละมันก่อนก่อนที่มันจะมายึดถือตรงจุดไหนจุดหนึ่งแต่เราจะละมันได้แต่เราก็ต้องทําปัญญาให้เกิดขึ้นจะทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้คุณต้องใคร่ครวนเนื้อความข้อมูลหรือความรู้อะไรต่างๆที่เรามีให้ดี เราจะมีความรู้สําหรับมาใคร่ครวนด้วยปัญญาให้ดีก็ต้องรับฟังข้อมูลมารับฟังข้อมูลมาก็ต้องฟังจากคนที่มีปัญญาคนนั้นก็มีปัญญาในการตัดกิเลสแล้วหรือยังแต่เขามีปัญญาระดับไหนถ้าดีก็ต้องระดับสัมมาสมัมพุทธะหรือว่าระดับสาวกที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะอธิบายธรรมะก็มีปัญญาในระดับนั้นเราใคร์ครวนเนื้อควา ม, มาที่เขาบอกมาเป็นข้อมูลของเราในาปัญญาของเขาเป็นข้อมูลของเรา ข้อมูลของเราผ่านการย่อยผ่านการไข้ครวนเป็นความรู้ของเราความรู้ของเราผ่านการไข้ครวนด้วยปัญญาโยนิโสมนัสสิการกลายเป็นปัญญาของเราปัญญาของเราใช้ตัดกิเลสซะแต่อย่ามาใช้ในการทิ่มแทงกันเพราะนั้นไม่ใช่ปัญญานั่นเป็นเครื่องยึดถือเพราะนั้นเราจะคลายความเป็นพิษของธรรมะที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ต้องเน้นตรงนี้ทัง้งฝังธรรมะไม่ใช่พิษนะธรรมะไม่ใช่เป็นพิษ แต่พิษนั้นเกิดจากความยึดถือในธรรมะที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะการไม่ได้ไคร์ครวนให้ดีด้วยปัญญาเราอย่าไปคิดว่าความรู้ที่เราคิดว่าเรารู้มากรู้ดีนั่นจะเป็นปัญญายังไม่ใช่แต่ความที่จะเป็นปัญญาเกิดขึ้นจากการที่มันจะละ ก, กิเลสได้ทั้งหักเราฟังไม่ว่าจะเป็นใครพูดจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาสักคนใดคนหนึ่งพูดอะไรออกมาหรือว่าพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพูดอะไรออกมา่จะดูเหมือนมีความรู้ แต่ความรู้นั้นอาจจะไม่ใช่ปัญญาก็ได้แต่ความรู้กับปัญญานั้นไม่เหมือนกันนะให้เข้าใจลักษณะตรงนี้ไว้ด้วยและสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้ดีทำความเข้าใจได้ดีแล้วก็จะสามารถที่จะรู้เล่าเรียนธรรมะเพื่อประโยชน์ในการที่จะรื้อถอนกิเลสนั่นเองข้าพเจ้าพระหมหาภาัยบุ์อภิปุโนโจากวัดป่าดอนไหโ่โศมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ิพูดคุย เรื่องราวทาความเข้าใจว่าความยึดถือเนี่ยมันมันเกิดได้ตลอดเวลามันเกิดได้ทุกที่แต่ที่ไหนมีการมีชื่อเสียงมีลาภชักะระความยึดถือเกิดได้ที่ไหนมีการพูดจาแที่ว่าต้องพูดอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่ความยึดถือเกิดได้ที่ไหนมีการปฏิบัติความยึดถือเกิดได้ที่ไหนมีทิฏฐิความยึดถือเกิดได้ทั้งสิ้นเพราะเราจะลากความยึดถือได้เราต้องมีปัญญาแต่คนจะมีปัญญาได้ก็ต้องมีการใคร่ครวญธรรมะฟังธรรมะมาม า, ม า, มากระตามน้อยก็ตามไม่มีปัญหา คุณฟังน้อยคุณก็ร้ค ร, รวญดีคุณก็ลั ก, กิเลสได้คุณฟังมากคุณใไร้ค ร, รวญให้ดีคุณก็ละ ก, กิเลสได้เหมือนกันวันนี้ข้าพเจ้าก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตามฝังแต่ถ้ายังมีคําถามข้อสงสัยหรือเรื่องใดๆที่ต้องการพูดคุยติดต่อกับทางรายการทางข้าพเจ้ายินดีที่จะตอบให้ยินดีรับฟังแต่โดยการส่งเป็นปใบเสนัตฎหรือว่าจดหมายมาที่วัดป่าดอนไฮโศกได้เลขที่1นึ่งหมู่แปดตบลดอนไฮโศก อ, อําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี หมายลรีสี่นี่งหนึ่งหรือไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ com p u r e d h a m m a com อย่าลืมรำไวงอย่าลืมจำให้ดีจะไม่ขึ้นใจแต่ว่าถ้าเรารับรู้ข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งสิ่งนั้นจะกลายเป็นความรู้จะกลายเป็นปัญญาของเราได้ต้องผ่านการไร่ครวนโยนิโสมนสิการให้ดีพูดสิ่งใดไปแล้วถ้ามันผิดพลาดแล้วก็รับฟังคําตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นมีความรู้ใดมีปัญญาใดเกิดขึ้น ก็อย่าทำตัวเป็นบนดิตเรื่อมตัวแต่ให้คลอยมีจิตอ่อนน้อมให้คลอยมีจิตอ่อนนุ่มดังที่บดิตทั้งหลายเขาเป็นกันจดบอา